เรื่องญิงร่วมกันชุดหนึ่งเรื่อง282สมัยนั้นหญิงจำนวนมากจับแขนต่อๆกันโอบภิกษุรูปหนึ่งพาไปท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอยินดีหรือไม่ยินดีพระพุทธเจ้าข้าภิกษุ เธอไม่ยินดีไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่11อ